อาวต่อไปตั้งใจฟังนะกักตัทธา ญ, ญาติโยมลูกหลานที่นี่หลวงพ่อจะได้กล่าวอะไรให้คัะนััทธา ญ, ญาติโยมพอบอกพวกเราอยู่ทางไกลด้นด้านมากว่าจะมาถึงวัดของหลวงพอ่อใช้เวลาเท่าไหร่ออกมาเมื่อคืนตั้งแต่หลวงพ่อถามสอจอดูท่านบอกว่าออกมาตั้งแต่ตีห้าครึ่ง อ, อ้ห้าห้าทุ่มครึ่งเออ ถ่าทุ่มครึ่งหลวงพ่อรด้เ ย, ยนโอโหเดินทางไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะครรานตะตาญาติโยมลูกหลาน่วันนี้เป็นวันที่15มกราคมพุทธศักราช2559วันนี้หลวงพ่อเห็นครรานตะตาญาติโยมมาจากโคราชมีท่านสอจอกิ ต, ติพ ง, พงสุรเวช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 ในหลวงพ่อคณะสัตยาญาติโยมามาจากโคราชต้นด้านมาถึงวัดหลวงพอ่อหลวงพ่อเห็นแล้วก็ซึ้งใจในศรัทธาของพวกเราถึงอย่างไงพวกเราจะเป็นมามาลั ก, ล ก, ลกษณทัศนศึกษ า, ามาดูสถานที่ต่างๆอันนี้ก็คือเป็นการมาดูแต่ตามไม่จริงวัดของหลวงพอ่อในตรงนี้จะเป็นเป็นข้างนอกวัดนะคกธรรัทธาญาติโยมลูกหลาน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 กะมีพระพุทธศาสนานะด้วยพวกเราควรจะตั้งตนไว้ให้ชอบอัตตะสัมมาปณิธิให้ตั้งตนไว้ให้ชอบสิ่งไหนที่มันไม่ดีเราอย่าคิดเราอย่าทำเราอย่าโูดในสิ่งที่มันไม่ดีให้ตั้งตนว่าเป็นคนดีให้สัมมาสแสวงหาสัมมาชีพเลี้ยงชีพดนทางที่ชอบจากนั้นก่อนเนี่ยปฏิบัติตนให้เป็นคนดีอย่างที่โยมสจเป็นผู้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 คิดดีทดําดีพูดดีเนะคิดดีนะันคืออะไรคิดไม่โลภอยากจะได้ของเขานะถ้าเรามีความโลภนะโลภในจิตในใจเราก็พร้อมที่จะฆ่าจะป้นจะขโมยจะไข่ไก็ได้เพราะเรามีความโลภในใจเออแล้วว่าอย่าอย่ามีความโลภ อ, อ, อย่ามีความโลภในใจโลภอยากจะได้ของเขานะแล้วก็ พ, พยาบาดปลองร้ายเขาไนอะ้เขาว่า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 คิดดื่มสุราอ่าอันนี้ก็คือการกระทำการกระทำผิดแล้วพอการพูดผิดเนี่ยพูดปดพูดจอเสียดพูดคำหยาพูดเพ้อเจ้อพูดหาสาระประโยชน์ไม่ได้พูดยุยงให้เขาก็แตกแยกกันะอันนี้ก็คือวาจานะคือคำพูดเพราะนั้นคิดดีเนี่ยอย่างที่หลวงพ่อได้พูด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 อต้องใช้เวลาต้องใช้ทุนพอสมควรแต่ที่พวกเราไม่ได้ใช้ทุนแต่ท่านเป็นผู้ใช้ทุนนิดหน่อยะท่านเป็นผู้พามาแล้วก็เป็นผู้พานําอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้มาพบมาเจอนะนะับว่าเป็นเอเป็นวันมงคลมาหามงคลในชีวิตของพวกเรานะะการกล่าวจำโหมดท่านนิจจกถากเห็นว่าสมควรกับการเวลา แล้วก็หลวงพ่อจะอานุโมทนาให้พอนะเจ้นี่นะจะตก ป, ปัจจัยที่พวกเราได้ถวายมานี่นะ่ะหลวงพ่อจึงจะไม่มีพระสงฆ์มาลองมารับนะหลวงพ่อเนี่ยเหมือนกับรถของเราเนี่ยเทลงไปที่ใดที่หนึ่งน้ํามันเครื่องนะ เ, เ, เขาไม่ได้เททุกหยอดทุกตัวหรอกเขาหยอดลงที่เดียวเท่านั้นนะ่ะน้ำมันเครื่องก็ไหลไปทุกฝันเฟือง